ห้องสมุดหลังไหมโดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองตอนพระคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมกับจิตตนครค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วค่ะจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของสองศาสนาคือพุทธศาสนาและ มารศาสนาซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเราได้ทราบนะคะว่าจิตตนครประกอบด้วยศาสนาเพียงแค่สองศาสนาเท่านั้นคือพุทธศาสนาสมุทัยศาสนาหรือมานศาสนานั่นเองนะคะมานศาสนาซึ่งพยายามที่จะขัดขวางแล้วก็ล้มล้างพุทธศาสนามาโดยตลอดรวมไปถึงขัดขวางมาตั้งแต่พระพุทธเจ้า บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตั้งแต่ครั้งกระนั้นเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงตามล้มล้างขัดขวางทำลายล้างเพื่อที่จะให้กำลังของฝ่ายตนมีอานาจมากกว่าสามารถที่จะครอบครองจิตใจชาวจิตตานครได้มากกว่าปัจจัยผลนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนในจิตใจของเรา ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากจิตตะนะครเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยก็ร้ายเดี๋ยวก็ไปตามกิเลสตัณหาเดี๋ยวก็เกิดปัญญารู้สึกตัวได้สติสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนมากกว่ากันจิตตะนะครเป็นเรื่องราวในเชิงบุคลาที่สถานกึงก่งๆนวนิยายนะคะมีตัวละคร มีเหตุการณ์มีเรื่องราวอ่านสนุกเล่าก็สนุกเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ซึ่งก็คือเรื่องของเราเองนั่นเองฟังเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับมาทบทวนกับชีวิตของเรากับจิตใจของเราก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันเป็นคนเล่านี่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์นะบางช่วงบางตอนก็รู้สึกละอายแก่ใจเหมือนกัน ก็ถือซะว่าเป็นผู้ส่งสารไปถึงคุณผู้ฟังนะคะและเป็นการน้อมถวายความอาลัยด้วยการเรียนรู้ในผลงานของพระองค์ค่ะสมเด็จพระยานสงวรนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งในอีกด้านหนึ่งพระองค์ท่านเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนนอกเหนือไปจากเป็นประมุขของสงฆ์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระกรุณาที่คุณของพระองค์นะคะ ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องจิตในหนังสือที่ชื่อว่าจิตตะนะครเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเดินทางต่อเข้าไปยังจิตตะนะครกันอีกครั้งหนึ่งกับตอนที่6ค่ะความแตกต่างของสองศาสนาในจิตตะนะครความแตกต่างของสองศาสนานั้นอยู่ที่ว่าพุทธศาสนาสอนให้มีศีล เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประทุสร้ายร่างกายการทรมานทรกรรมสัตว์เว้นจากการลักขโมยช่อโกงต่างๆเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จหลอกลวงเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุรามีัยทุกชนิดให้มีฮิริคือความละอายรังเกยียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามรังเกยียจสิ่งโสกปก ให้มีโอตปะปความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือราบาปทุจริตต่างๆเหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสารพิษไม่อยากที่จะเข้าใกล้ส่วนม่านศาสนาสอนให้ฆ่าให้ปัทุสร้ายให้ทำทรมานโทรกรรมสัตว์ให้ลักขโมยช่อโกงพระพืชผิดทางกรมให้พูดเท็จหลอกลวงให้ดื่มน้าเมา เมื่อมีกฎหมายห้ามและมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิดกลัว จ, จะถูกลงโทษตามกฎหมายและหากจะฝืนกฎหมายก็ทําอย่าให้ถูกจับได้เมื่อยังไม่มีโอกาสจะฝืนกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไปก่อนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ค่อยทําอย่างที่อยากทําไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงศีลธรรมอะไรให้นิยมยินดีในการทําความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆ ไม่ต้องอายไม่ต้องรังเกยียจไม่ต้องกลัวเกรงอะไรดูเหมือนว่ามาลาศาสนาจะเป็นศาสนาที่เข้าทางกับกิเลสในใจของเรานะคะน่าสนใจดูมีสเสน่ห์น่าติดตามทีเดียวใช่ไหมคะนอกจากนี้พุทธศาสนาสอนให้มีอินทรีย์สอวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้าย เวลาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติรักษาใจมิให้ซัด ส, สายขึ้นลงเพราะความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆให้มีสติสัมปชัญญะคือมีสติระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวในเวลายืนเดินนั่งนอนหรือในอิริยาบถเล็กน้อยหรือในอากัปกิริยาต่างๆให้มีสันโดษ คือยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่มีความอิ่มความเต็มความพอใจในผลต่างๆที่ได้รับแต่ก็มีความเพียรปฏิบัติในเหตุหรือกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นสันโดษเป็นความยินดีตามได้ความยินดีตามกำลังความยินดีตามความสมควร ตามาสศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดูปล่อยหูให้ฟังปล่อยให้คิดไปตามสบายให้ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีให้ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบอย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนสนุกสนานไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, พะัะสอนให้ปล่อยสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปพวงทำความรู้ตัวอยู่ในอาการเดินยืนนั่งนอนในอากัปกิริยาต่างสอนให้โลภอยากได้มากๆ เมื่ อ, อยังมีอยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอซะก่อนแม้เมื่อมีมากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งพอเช่นเดียวกันเพราะจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ให้อุดหนุนความโลภให้เกิดขึ้นมากๆนอกจากโลภก็ให้เพิ่มความโกรธความหลงให้มากขึ้นจะทำให้ชีวิตมีรสชาติผาดโผลสนุกสนานไม่เงียบเงาซบเซ่ายากจนเรียกได้ว่ า, าศาสนาทั้งสองนี้ สอนไปในทางตรงกันข้ามแตกต่างกันอย่างสุดขั้วคู่บารมีนับถืออุปธรรมพุทธศาสนาส่วนคู่อาสวะนับถืออุปธรรมมารศาสนาผู้อุปธรรมทั้งสองต่างก็แข็งด้วยกันทั้งคู่และดําเนินการประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตตะนครอย่างเต็มที่และด้วยเหตุที่คู่บารมีของนครสามีและคู่อาสวะต่างอุปธรรมศาสนา สสจึงเป็นเหตุให้นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตาคนครต้องรับเป็นศาสนูประถมพกทั้งสองศาสนาประชาชนชาวจิตตาคนครจึงมีเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือในเมื่อการนับถือปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก็ดูเหมือนกับประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกที่ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคนในจิตตนครดังที่ได้บอกแล้วนะคะว่าทุกคนนับถือศาสนาทั้งนั้นถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาก็จะเป็นมาลศา ส, สนาแตกต่างไปจากโลกโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะไม่ นับถือศาสนาใดๆเลยก็ได้อย่างโลกของเรามีหลายศาสนาและก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยเป็นคนไม่มีศาสนาก็มีแต่ว่าจิตตานครทุกคนมีศาสนาอาจจะเห็นว่าแปลกจากโลกทั่วไปแต่ที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึงจิตใจก็ไม่น่าแปลก เพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้นเช่นนับถือความเห็นของทางลัทธิหนึ่งนับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือหรือไม่ควรนับถือศาสนาแม้ทั้งหมดความเห็นนั่นเองเท่ากับเป็นศาสนาทางจิตใจโดยตรงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกก็เป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นมารศาสนาฉะนั้น เมื่อพูดด้วยภาษาของจิตตะนะครทุกคนจึงนับถือศาสนาท้งนั้นไม่พุทธศาสนาก็มารศาสนาหรือทั้งสองตามภาษาของจิตตะนะครการนับถือศาสนาไม่ได้อยู่ที่การแสดงตนฉะนั้นแม้แสดงตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพุทธศาสนาแต่ถ้ามีความเห็นผิด เช่นเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วหรือว่ากลับกันทําดีได้ชั่วทําชั่วได้ดีเห็นศีลทิ่รีโอตาปไม่อํานวยประโยชน์ถ้ามูรักษาศีลจะต้องยากจนดังนี้เป็นต้นถ้ามีความเห็นเช่นนี้ก็หาชื่อว่านับถือพุทธศาสนาไม่เพราะที่แท้นับถือมารศาสนาต่างหาก แต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกันข้ามเช่นมีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรมเป็นเหตุให้ละกรรมที่ชั่วที่ผิดประพฤติกรรมที่ดีที่ชอบแม้มีได้แสดงตนว่านับถือพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนาเพราะมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วย หน้าพิสวงที่จิตตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองชั้นในที่ตั้งอยู่ในจิตใจนี้เองเหมือนเป็นเมืองรับแลมิใช่เป็นเมืองรับแลภายนอกเป็นเมืองรับแลภายในจิตใจมีอะไรอะไรที่ดูเหมือนต่างจากโลกภายนอกเป็นอย่างนี้ในโลกภายนอกแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตตนครเช่นที่เกี่ยวกับศาสนาในโลกภายนอกมีมากมายแต่ในจิตตครมีสองเท่านั้น ในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ในจิตตานครนับถือทั่วหน้ากันหมดในโลกภายนอกชื่อว่านับถือตามที่แสดงตนเป็นต้นในจิตตานครชื่อว่านับถือศาสนาไหนตามทิฏฐิที่มีอยู่จริงๆของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจิตตานครจึงไม่ใช่เมืองลับแลแต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอน อันว่าสมุทัยหรือมารตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกเมื่อกล่าวตามตำนานทางศาสนาสายหนึ่งเป็นเทพผู้เป็นราชาแห่งกามาวาจรสวรรค์ชั้นหกคือชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีสวรรค์ชั้นนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตระอีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางโลกุตระ ฝ่หลังมีมารเป็นราชาชื่อวสวรติมักเรียกในเนั้งสือเก่าๆว่าพญาวสวรติมาราธิราชพญามานนี้เองที่ได้นาพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้และยังได้มาอีกหลายครั้งจนถึงได้มาทูนให้เสด็จปรินิพานและยังได้เที่ยวร้องควานผู้อื่นอีกเช่น ดลใจพระอาณนต์มีให้ได้สติที่จะกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงดำรงพระชนอยู่กับหนึ่งคือประมาณ100ปีหรือเกินกับหนึ่งเมื่อพระเถระอาหารหันบางองค์ปรินิพานมานก็เที่ยวค้นหา ว, าว่าวิญญาณของท่านไปข้างไหนก็ไม่สามารถจะพบได้ตามประวัติมานได้มาเกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่างๆหลายครั้งหลายหน ในจิตตานะครมานหรือสมุไทยสถิตยอยู่ในจิตตนะครนี้เองอยู่ในสำนักของนครสามีเป็นผู้ที่นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ดำเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่างๆทางบ้านมือสมุไทยยังมีคู่อาสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิทกับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่ จึงมีอำนาจกรองใจชาวจิตตานะครทั่วไปในขณะที่สมุทยัยเป็นชาวต่างถิน่นไม่ใช่ถิ่นกำเนิดคือไม่ใช่ชาวจิตตานะครมาแต่ดั้งแต่เดิมเป็นประเภทคนจรหมอนมิน่นเมื่อเป็นอาคันตุกะมาสู่จิตตานะครได้เข้าถึงนครสามีทำให้เป็นที่โปรดปรานได้แล้ว สมุไทยก็ทำท่าว่าจะยึดจิตตานครเป็นที่อาศัยอยู่ทาวอนและก็ได้ยึดจิตตานครเอาไว้จริงๆจากเรื่องที่เล่าไปก็จะเห็นว่ามารหรือสมุไทยมิใช่บุคคลต่าต้อยเป็นถึงราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกามาวาจรสวรรค์ตามเรื่องแห่งจิตตานครก็เป็นผู้ที่มีอานาจมากในจิตตานคร สมุทัยหรือมานต้องการให้ใครเรียกยกย่องเช่นนันทากรบ่อกเกิดแห่งความบันเทิงสุขากรบ่อกเกิดแห่งความสุขหรือแม่เรียกว่า ว, วัสวัตตีผู้ใช้อำนาจจริงๆคำนี้มีความแรงพอๆกับคำว่าจักรวัตตีหรือจักรพัทผู้ใช้จักรถ้ามองอีกแง่หนึง่งก็เป็นคำที่แรงกว่าเพราะพระเจ้าจักรพัเป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์ มีอำนาจครอบครองมนุษยโลกเท่านั้นส่วนพระเจ้าวสวรตีหรือวสพัทมีอำนาจครอบครองทั้งมนุษย์ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้นและยังมีอำนาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกชั้นด้วยเป็นอันว่าไม่มีใครในไตรภูมิคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ ที่จะพ้นไปจากอํานาจครอบงําของสมุทัยหรือมารทั้งนี้เว้นแต่โล ก, กุตระภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมารพยายามรักษาสัตว์โลกทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้งสามข้างต้นคือกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรพยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไปสู่โล ก, กุตระภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอํานาจของมารหรือสมุทยัย ้งสมุดหลังไมโดยรสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอ่านเรื่องจิตตนครแล้วนอกเหนือจะทำให้เราได้รู้จักกับใจของเราเองมากขึ้นว่ามีโครงสร้างของการทำงานอย่างไรนะคะยังได้รับความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติในเรื่องของพระอภิธรรมหลายเรื่องค่ะ แล้วก็ได้รับความบันเทิงด้วยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าบันเทิงธรรมนี่เป็นพระปีชาของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขับกับพระนิพนธ์จิตตะนครแนะนําว่าถ้าใครเป็นนักอ่านนะคะเล่มนี้น่ามีอยู่ในครอบครองเก็บเอาไว้อ่านได้ตลอดชีวิตค่ะ หาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปล่าสุดสำนักพิมพ์ธรรมดาแนะนํำมาจัดพิมพ์เอาไว้นะคะในราคาเล่มละ165บาทแต่ถ้าไปวัดบรวรนิเวศมหามงกุฎราชวิทยาลัยอาจจะอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วก็สวนโมกกรุงเทพค่ะหอจดุดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโยนะคะใกล้ๆกับส่วนรถไฟที่นั่นก็มีจาหน่ายค่ะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะคะเรามาติดตามตอนที่ตอนที่7 ขอภัยตอนที่6ในช่วงที่สองนะคะสำหรับตอนที่6ในช่วงที่สองจะเริ่มกันที่แง่มุมการปฏิวัตรรัฐประหารในจิตะจตะนครจิตตะนครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปฏิวัตรรัฐประหารบ่อยที่สุดค่ะน่าสนุกนะคะไม่รู้ว่าจะมีม็อบบ้างหรือเปล่าพร้อมหรื อ, อยังคะถ้าพร้อมเราไปติดตามกันเลยนะคะ กับจิตตานครช่วงที่2ตอนที่6ค่ะเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตานครโดยการอุปถัมสนับสนุนของคู่บารมีของนครสามีที่เป็นคู่ปรับสำคัญของคู่อาสวะและสมุไทยดังที่ได้ทราบแล้วนะคะสมุไทยก็แสดงตนเป็นศาสดาประกาศศาสนาขึ้นบ้างประเกรงว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะไปดึงคนออกไปให้พ้นจากอานาจของตน คือให้ไปสู่โล ก, กุตระภูมิไปสู่การหลุดพ้นสมุไทยก็เลยตั้งศาสนาขึ้นมาแข่งคอยแนะนำคนให้ดำเนินไปสู่ภูมิทั้ง3ที่อยู่ในอํานาจของตนเท่านั้นแล้วก็เรียกว่ามารศาสนาซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าประชาชนพากันนับถือกันทั้งเมืองก็ว่าได้แต่มักนับถือคู่กันไปกับพุทธศาสนาคือไม่ทิ้งพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งข้อนี้ทำให้สมุทัยผิดหวังเพราะไม่อาจทำลายพุทธศาสนาลงได้แล้วก็ดูเหมือนว่าพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นประชาชนสนใจปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้นและทางการปกครองฝ่ายของคู่บา ร, รมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งน้อยใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลฮิริโอต ป, ปะอินทร์สังวรสติสัมปัญญะหรือว่าสันโดษ ด, ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ โดยศีนได้เข้าคุมไตรทวารของจิตตนะครนฮิริโอตปะเข้ามาเป็นนครบาลอินซีสังวรเข้าคุมระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสัมปัญญะเข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจรของเมืองสันโดษเป็นเจ้าหน้าที่ปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้พักพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุทัยต้องร่นถอยรถน้อยลงไปกว่าเดิม ซึ่งอันนี้สมุทัยก็ไม่ยอมง่ายๆใช้เล่เพทุบายแล้วก็อำนาจกำลังต่างๆยึดเอาที่มั่นต่างๆกลับคืนมาถึงแม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมดก็รอคอยในการที่จะยึดมาในภายหลังจิตตนะครจึงเป็นนครที่มีการแย่งอำนาจสับเปลี่ยนอำนาจการปกครองในหน่วยต่างๆมากที่สุดบางทีก็สับเปลี่ยนกันทุกวันวันละหลายครั้งก็มี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 หรือจะปฏิบัติหน้าที่ปกครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้คู่บารมีมีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับซึ่งนครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายในด้วยกันทั้งสองสมุไทยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีศีลเป็นต้นศีลเป็นพวกคู่บารมีก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่างๆทั้งสองฝ่าย ซึ่งถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลกก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากและก็บ่อยครั้งที่สุดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยที่สุดจนในที่สุดดูเหมือนแบ่งเมืองกันปกครองโดยแบ่งเขตกันปกครองหรือแบ่งเวลากันปกครองในเขตเดียวกันเช่นไต้ทวานของเมืองศีลเข้าปกครองรักษาบางส่วนโลภโกรธหลง หัวโจกใหญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว้บางส่วนหรือส่วนเดียวกันศีล ร, รักษาบางเวลาโลภโกรธหลงเข้าครองในบางเวลาแบ่งกันไปแบ่งกันมาอยู่อย่างนี้อาศัยที่ว่าจิตตนครเป็นอย่างนครลับแลซึ่งใครๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายในของจิตตนครต่างจากบ้านเมืองภายนอกที่มีการออกข่าวให้รู้กันอยู่เสมอ จะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันสักครั้งก็รู้กันทั่วส่วนในจิตนครมีปฏิวัติกันอยู่ทุกวันก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจเรื่องของบ้านเมืองในโลกควรเป็นที่สนใจพอสมควรแต่เรื่องของจิตนครก็ควรเป็นที่สนใจอย่างยิ่งจิตนครของผู้ใดผู้นั้นควรพยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในนครของตน เพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตตานครเป็นความสำคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในการรักษาจิตตานครให้ร่มเย็นเป็นสุขในส่วนของสมุทัยกับพักพวกและคู่บา ร, รมีกับพักพวกที่ต่างฝ่ายต่างมีอานาจขะคารกันจนเหมือนแบ่งกันปกครองการแบ่งเขตหรือแบ่งเวลากันปกครองในจิตตานคร ถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่งก็น่าจะตอบได้ว่าเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของสมุ ท, ทยหรือคู่อาสะวะกับคู่บารมีซึ่งจะชักนำนครสามีให้ปฏิบัติตามคล้อยตามไปฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่นครสามี ว่าจะคล้อยตามฝ่ายไหนแค่ไหนเมื่อไหร่ต่างจากการยึดหรือแบ่งอํานาจในบ้านเมืองทั้งหลายในโลกถ้าเป็นการยึดอํานาจก็มีใช่การมอบหมายให้ด้วยความสมัครใจและผู้ที่ทําการยึดอํานาจก็มักขึ้นเป็นหัวหน้าซะเองแทนที่ผู้ที่ถูกยึดคือหัวหน้าเก่าที่ถูกยึดเอาอํานาจไปก็ต้องตกต่ํา หมดสิ้นอำนาจแต่ว่าในจิตตานครนครสามีดำรงตำแหน่งหัวหน้าอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครแย่งได้เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านครสามีเป็นบุคคลพิเศษมีความรู้พิเศษมีลักษณะพิเศษมีสมรรถภาพพิเศษไม่มีใครทำลายได้เลยแต่คุณสมบัติพิเศษต่างๆของนครสามีต้องถูกบดบังไปเพราะสมุทัยกับคู่อสวร แล้วก็พักพวกซึ่งเข้ามาทำให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอำนาจต่างๆให้นครสามีเองจึงเหมือนกับคนที่ไม่มีอำนาจสุดแต่สมุไทยกับพักพวกจะบัญชาให้ทำอะไรบุคคลสาคัญผู้มีหน้าที่กำกับนครสามีคือคู่อาสวะซึ่งกำกับการอยู่ข้างในอันว่าคู่อาสนานี้นะคะก็มีหน้าที่สร้างภาวะสามอย่าง ให้เกิดขึ้นแก่นครสามีอย่างแรกคือสร้างกามคือความใคร่ความปรารถนาทำให้นครสามีคลุ่นคิดใคร่คิดปรารถนาอะไรต่างๆอยู่อย่างเงียบ2สองคือสร้างพบพอสำเาอพอผ่านความเป็นนั่นเป็นนี่ทําให้นครสามีคลุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อย่างไม่น่าเชื่อกับสามสร้างอวิชชา คือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ความไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอดีตหรือเงื่อนต้นไม่รู้จักอนาคตหรือเงื่อนปลายไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า บรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงจึงได้ตรัสชี้แสดงว่าอาสะวะอะวะันได้แก่กิเลสที่ดองสันดานมีสคือกาม า, าสะวะอาสะวะคือกามหนึ่งภวาสะวะอาสวะคือภพหนึ่งอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาหนึ่งคู่บารมีเท่านั้นฝังเข้าใจพระพุทธวจนะและรู้จักอาสะวะ พยายามชี้แจงแสดงแนะนำนครสามีให้เข้าใจให้รู้จักตอนแรกนครสามีฟังไม่เข้าใจไม่รู้จักต่อมาจึงค่อยเข้าใจและรู้จักอาสวะขึ้นบ้างจึงเริ่มเห็นคุณของศีลแล้วก็ใช้ศีลในการปกครองบ้านเมืองแต่ก็หยิบหยิบปล่อยปล่อยคล้ายๆกับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอนซึ่งอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะว่าครูอาสวะ ผู้ครองนคร น, นั้นดองสันดาลมานานเกาะอยู่อย่างเหนียวแน่นซึมซาบอยู่อย่างลึกซึ้งยากที่นครสามีจะสลัดออกได้และดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเหมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เสมอในจิตตะนคร น, นั้นที่แท้แล้วก็คือการหยิบหยิบปล่อยปลอยของนครสามีนี่เองคือเดี๋ยวหยิบข้างนี้แล้วก็ปล่อยข้างนั้น เดี๋ยวปล่อยข้างนี้แล้วก็หยิบข้างนั้นบางคราวก็คล้ายกับจะหยิบไว้ทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างจับปลาสองมือเหตุที่นครสามีเป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดี่ยวไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษนครสามีรู้อยู่ว่าศีนมีคุณสมูทัยมีโทษแต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้อำนาจความเคยชินกับสมู ท, ทยัยทาให้ภาวะผวัง จับนั่นปล่อยนี่วุ่นวายจึงยังไม่ได้รับผลที่ควรจะได้รับอย่างแท้จริงยังไม่สามารถทําจิตตะนะครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกเวลาต้องเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างแล้วแต่เมื่อใดฝ่ายไหนจะเข้าครองฝ่ายดีเข้าครองก็เย็นก็เป็นสุขฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อนก็เป็นทุกข์อาสะวะนั้นมีเพื่อนสนิทหลายคนนะคะ ล้วนเป็นฝ่ายในหรือชั้นในด้วยกันทั้งนั้นเช่นอนุัยนอนจมอยู่ในจิตโอคะห่วงน้ำในจิตโยคะประกอบในจิตสังโยกหรือสัญโยตผูกจิตเพื่อนสนิทเหล่านี้จะมีหลายคนหลายกลุ่มหรือจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายชื่อหลายอาการก็ยากที่จะบอกได้เพราะว่าเป็นชั้นไหนมีแต่คู่บา ร, รมีเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่นอนุสัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่งของคู่อาสวะมีหน้าที่สร้างภาวะสามอย่างแก่นครสามีคล้ายๆกับคู่อาสวะคือราคะความย้อมใจให้ติดปฏิฆะความกระทบและอวิชาความไม่รู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แสดงว่าอนุสัยสิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตมีสคือราคานุใส อนุสัยคือราคะสิ่งย้อมใจให้ติดปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิคะสิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้ในทุกข์เป็นต้นดูก็คล้ายๆกับอาสวะดังจะเปรียบเทียบกันทีละข้อข้อที่1การมาสวะกับราคานุใสกามกับราคะ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 ความเป็นดังกล่าวที่เป็นชั้นในสุดก็คือความเป็นเราดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรืออาหังการหรือที่เรียกว่าอัตภาพความเป็นอัตตาความเป็นตนก็คือความเป็นเรานี่เองเรียกสั้นๆว่าตัวเราอันตัวเราที่มีอยู่ในทุกๆคนองค์พระบรมครูตรัสว่าเป็นเพียงความสาคัญ หมายว่าเราเป็นเท่านั้นหาใช่เป็นสัจจะโดยปรมาถะอย่างละเอียดไม่เมื่อมีตัวเราขึ้นแล้วก็ต้องมีของเราแล้วก็ต้องมีของเขาคือมีเขามีของเขาและตัวเรานี้เองเป็นจุดกระทบของอะไรอะไรทุกอย่างความกระทบจึงมีขึ้นได้หรือจะกล่าวว่ามีจุดอะไรขึ้นในใจก่อนตัวเราก็วิ่งเข้ามา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 ให้จิตสะอาดยิ่งขึ้นทุกทีตอนหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้งสามค่ะอนุสัยหรืออาสวะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสมูทยัยและทำงานให้สมูทยัยชนิดที่เรียกว่าเป็นพวกใต้ดินหรือว่าพวกหลังฉาก พวกที่คอยวางแผนชักใหญ่นครสามีอยู่อย่างแนบเนียนโดยที่นครสามีก็ไม่รู้ว่าตนกำลังถูกชักใหญ่แต่เข้าใจว่ามีเพื่อนมิตรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง